อีกสูตรหนึ่งนะครับนิสรณสูตรจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเป็นที่สลัดออกสอย่างนี้สอย่างเป็นฉนะคือเนคขมะนะครับ เป็นที่สลัดออกซึ่งกามทั้งหลาย ค, คือรูปฌปานนะครับสลัดออกจากกามมาพบนะอารูปฌานเป็นที่สลัดออกแห่งรูปประพบทั้งหลายนั่นเองนิโรธคือพระนิพพานนะครั บ, เ ป, รบรเป็นที่สลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วอันตัดใจปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและการเกิดขึ้นนิพพานนะครับเป็นธรรมะที่สลัดออกจากสังสารวัฏหรือจากวัตตะดูกับพิสูจนทั้งหลายธาตุเป็นที่สลัดออกสามอย่างนี่แหละ แล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้ธรรมะเป็นที่สลัดออกซึ่งกามและอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงรูปทั้งหลายถูกต้องธรรมะเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงในกาละทุกเมือ่อภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบย่อมน้อมไปในาธาตุนั้นภิกษุนั้นแลอยู่จบอภิน ญ, ญาสงบระ ง, งับก้าล่วงโยคะได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีนะครับ ผู้มีความเพียร น, นะครับเพื่อรู้ธรรมะที่สลัดออกจากการมก็คือเพียรเพื่อเจริญรูปฌานนะครับแล้วก็เจริญในอรูปฌานอีกนะครับแล้วก็ถูกต้องนิพพานอีกนะครับภิกษุที่ว่านี่แหละครับเป็นผู้ที่มีความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิน้อมจิตไปในธาตุนั้นคือนิพพานธาตุนะครับแล้วก็อยู่จบอภิญญนยาหมายความว่าแทงตลอดริยะสัตว์สีได้หมดแล้วนะครับส่วนอธิกถาอธิบายว่า นิสรณนิยานะครับธาตุที่สลัดออกไปนะครับคาว่าธาตุนี่นะครับจะมีความหมายว่ า, วางจากสัตว์หรือไม่มีสัตว์นั่นเองนะครับคว่ากา ม, มานังก็คือกิเลสกามและวัตถุ ก, กามนะครับคือพ้นจากวัตถุ ก, กามและกิเลสกามนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ากา ม, มานังได้แก่กิเลสกามเพราะอธถว่าธาตุทั้งหลายเป็นที่ออกไปจากกิเลสกาม ถึงวัตถุกรามก็ออกไปได้เหมือนกันไม่ใช่ออกไปโดยประการอื่นนะครับคือออกไปด้วยเนคขมมะนะจึงจะออกจากกรามได้นะครับสมดังที่ตรัสไว้ว่าอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายในโลกไม่ใช่กามนะครับสีเสียงกลิ่นรสที่พิจิตพิสดารทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่กามแต่ความกําหนัดที่เกิดจากความลําฤกของคนต่างหากเป็นกาม อ่า น, นะกามมวิตกเป็นต้นหนะ้าที่ไปดํมฤทถึงวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นอ่านะไปดําริถึงอารมณ์ที่วิจิตอันนั้นแหละตัวกามเหมือนกันเถอะก็เรียกแต่ว่าตรงนี้อ่านะเน้นที่กิเลสกามนะครับอารมณ์ที่วิจิตทั้งหลายก็สถิตอยู่ในโลกอย่างนั้นนะั่นแหละแต่ทีรชนจะนําความพอใจในกามนั้นออกไปคือถ้าหากว่าไปละวัตถุนะยังไงก็ละไม่ได้เขาก็อยู่อย่างนั้นของเขาอ่ะนะ แต่ถ้าจะละก็ต้องละไอเกเลตที่เป็นเหตุให้ดํำริถึงกามทั้งหลายเหล่านั้น น, น, นั่นเองนะครับเช่นจะละกามเนี่ยนะครับไปเห็นภาพงามๆนี่ไม่ต้องไปทุบภาพนะครับตัดความเยื่อใยซะนะครับไม่ใช่โอ้ไปทําลายภาพไปเห็นอะไรงามๆก็ไปทําลายไปประทุสร้ายนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายถึงพลาดจิตพลาดใจออกจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะครับถามว่าพลาดด้วยอะไรครับพลากด้วยเนคขมมะหรือการเจริญฌานนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นการปาดไปหรือการพรากไปนั่นนะชื่อว่ า, าะะนิสระณะผลบทว่าเนคขมมะได้แก่ปฐมฌานนะครับโดยพิเศษแล้วเนคขมมะนั้นเพิ่งเห็นว่ามีอสุภาพเป็นอารมณ์นะครับคือปฐมฌานที่มีสุอสุภาพเป็นอารมณ์นะครับแต่ผู้ใดทำฌานนั้นให้เป็นเบื้องบาดเป็นฐานพิจารณาสังขารทั้งหลายบรรลุมัทที่สามแล้วจึงทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยอนาคามีผล จิตของผู้นั้นสลัดออกจากกามทั้งหลายโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้พ้นได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในในกามมาธาตุในกามมาพบอบีกแล้วเพราะเข้าถึงอะไรครับสุดทาวาสแล้วนะครับเข้าถึงสุดทาวาสไม่ต้องกลับมาสู่กามมาพบกามมาภูมิอีกแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบพิเศษเลยก็คือเป็นพระนาคามีนะครับแต่ถ้าโดยธรรมดานะครับการเจริญอสุภาษจนได้ปฐมมชานไปเกิดเป็นพรหมนี่ก็พ้นจากกามแล้วนะครับ ผลจากวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกรรมที่เป็นไปในรูปเสียงเปลี่ยนรถแต่ก็เข้าถึงพรหมโลกแทนนะครับฉะนั้นเนคขมะนี้เพิ่งทราบว่าเป็นการสลัดออกจากกรรมทั้งหลายอย่างอุกฤษนะครับเอาชั้นสูงสุดเลยนะคืออนาคามีมรักอนาคามีผล บทว่ารูปานังได้แก่รูปประธรรมทั้งหลายโดยพิเศษแล้วก็คือรู ป, ปรวจรธรรมทั้งหมดโดยประเภทเป็นกุศลวิบากกิริยาด้วยอารมณ์ทั้งหลายนะครับทีนี้ถ้าจะพ้นจากรูปประพรมทั้งหมดก็ด้วยอรู ป, ปรวจรฌานนะครับอรู ป, ปรวจรฌานนี่แหละจึงจะก้าวล่วงก้าวพ้นจากรูปประฌารูปประพมทั้งหมดได้นะครับบทว่าภูตังนะครับ หมายถึงว่าสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนะสังคตังก็คือที่ปัจจัยทั้งหลายจัดแจงคือปรุงแต่งทําแล้วบทว่าปฏิจจะสมุปปนังก็คือเกิดขึ้นจากเหตุอันนี้หมายถึงปัจจยุปันธธรรมทั <month> ้งหลายนั่นเองปัจจยุปันธธรรมทั้งหมดด้วยบททั้งสามนี่นะครับคลุมไปถึงธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามโดยไม่เหลือนะครับธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามนี่นะครับเกิดขึ้นแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาเกิดจากเหตุเกิดขึ้นนะครับ ส่วนพระนิพพานชื่อว่านิโรธก็ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการกําหนดรู้การไว้ด้วยธาตุแรกธาตุแรกคืออะไรครับธาตุแรกก็คือรูปธาตุการกําหนดรู้รูปด้วยธาตุที่สองคืออรูปการกําหนดรู้ธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดด้วยธาตุที่สามคือนิโรธจึงเป็นอันตรัสการก้าวล่วงพบไว้ครบถ้วนแล้วนะครับสรุปแล้วแค่ไหนครับเป็นพระราหานแล้วนะครับ พระอรหันต์จึงจะทำกิจเหล่านี้ได้อย่างบริบูรณ์เพราะพ้นจากกามพ้นจากรูปป ร, พรมพ้นจากอารูปป ร, รมและผมก็ตัดเป็นคาถาว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้ธรรมะเป็นที่สลัดออกซึ่งกามและอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงรูปทั้งหลายถูกต้องธรรมะเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงในการละทุกเมือ่อภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบย่อมน้อมไปในธาตุนั้นภิกษุนั้นแลอยู่จบอภิญญา สงบระ ง, งับก้าล่วงโยคะได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีมุนีซึ่งอธิคธาก็อธิบายพอเข้าใจนะครับธรรมะชื่อว่าสัพพาสังขารสมถทะเพราะเป็นที่สงบระ ง, งับสังขารทั้งมวลได้แก่พระนิพพาน เห็นอยู่ซึ่งพระนิพพานนั้นนะครับคนที่เห็นอยู่ซึ่งพระนิพพานด้วยอรหัตตะมักอรหัตตผลก็จะสงบประงับสังขารที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดโดยปฏิสนธิเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเข้าสู่พบภูมิโดยการปฏิสนธิในพบใดพบหนึ่งอีกแล้ว